ธรรมกถาเมื่อวันอาสาลหาบูชาวันที่7รกรกฎาคมพุทธศักราช2552ก็ยังมีเรื่องขอแทรกอีกเรื่องหนึ่งก็ขอชาไว้นิดหนึ่งเรื่องหลักปฏิบัติชาวพุทธคืออาตมา ขอประธานอภัยเถอะต้องพูดถึงตัวเองนิดหนึ่งไม่ได้ลงมาร่วมพิธีในทำบุญประจําปีในวันสําคัญเนี่ยตลอดมาเริ่มปีนี้เพิ่งครั้งแรกเลยตั้งแต่ต้นปีไม่ว่ามาคารบูชาสงการานวิสาขาบูชาไม่ได้ลงเท่งนั้นนี่มาลงวันเนี้ก็มีเรื่องค้างติดใจยอยู่อย่างวิสาขาบูชาก็อยากจะพูดสักเรื่องหนึ่งเนี่ย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 ถือว่าเป็นความเข้าใจผิดต่อหลักพระพุทธศาสนาก็เลยค้างใจมากต้องออมาพูดสติวันนี้เลยทางทางที่นิมนต์ให้พูดหลักปฏิบัติชาวพุทธก็ต้องขอพูดเรื่องนี้ก่อนเรื่องอะไรเกิดมาใช้นี่กรรมคนเขาทาชั่วร้ายเออไปฆ่าคนไปขโมยของถูกจับไปติดคุกอย่างงั้นเราเรียกว่าใช้นี่ก ร, รเออชดใช้กรรมใช้กรรมใช้นี่กรรมก็อันเดียวกันแหละ พอไปได้ที่จริงก็ยังไม่ถูกแล้วเอาละยังดีกว่าหรือเมื่อไงก็เอามองไกลไปเช่ว่าทําชั่วมากทําบาปเยอะไปตกนรกเอออย่างนั้นสิไปใช้นี่กรรมใช่ไหมยังพอฟังได้แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์มาใช้นิกรรมเรื่องอะไรทํากรรมชั่วร้ายอะไรมันนักหนาเกิดมาทั้งชีวิตมาใช้นิกรรม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 จุติเทวดานะจุติไม่ใช่ไปเกิดนภาษาไทยก็เพี้ยนอยู่แล้วนภัสไทยว่าจุติว่าไปเกิดเสิจุติเพราะตายมีที่ไหนจุติเพรเกิดจุติบพรเคลื่อนเพ ย, ย้ายย้ายจากพบหนึ่งไปพบหนึ่งจุติก็คือตายนี้เทวดาจะย้ายพบก็คือตายนั่นเองอะเทวดาพวกเพื่อนๆนเพื่อนเทวดาทั้งหลายก็จะให้กําลังใจอวยใ้พรขอให้ท่านไปเกิดในสุขตินะเพราะงั้น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 ข้อดีก็เทวดามีนั่นหนึ่งสองสามสี่ห้าข้อเสียก็เทวดาที่แพ้มนุษย์หนึ่งสองสามสี่ห้าคือมีดีคนละอย่างมีเสียคนละอย่างแต่อีข้อดีของมนุษย์นี่มันดีที่ว่าเช่นมนุษย์มีสติดีกว่าทําไมเทวดานี่แกหลงเพลินแกมีความสุขคนที่มีความสุขมากในมีทางหลงเพลินและขาดสติขมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีเครื่องเตือนสติเยอะมีทุกขมีภัยมีอันตราย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 อย่าไปพูดกันเลื่อยเปื่อยว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐไม่มีหลักเลยพูดไปได้ไงเป็นหลักประเสริฐยังไงนีมนุษย์มีดีกงไหนประเสริฐกึงไหนท่านบอกไว้เลยมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้นี่สิกงเนี้ยคุณสมบัติของมนุษย์เป็นสัตว์ทีทท่ฝึกได้ฝึกแล้วเอาดียังไงก็ได้จะให้ประเสริฐเลือดยังไงก็ได้ แต่สัตว์ชนิดอื่นเนี่ยมันฝึกได้น้อยมันฝึกแทบไม่ได้แล้วมันอยู่ในสัญชาตญาณนีมนุษย์นี่ฝึกให้ดีให้เลิศให้ประเสริฐให้เป็นมหาบุรุิให้เป็นพระทธเจ้าเป็นได้หมดก็เลยเป็นโอกาสดีถ้าเรารู้จักใช้โอกาสนั้นก็จะพัฒนาชีวิตเนี่ยให้เจริญ ง, งอกงามจนเป็นผู้ประเสริฐเลิศแท้จริงเนเมื่อเป็นสัตว์ที่ฝึกได้และจะดีได้ประเสริฐเลิศได้ก็ต้องฝึก พราฉะฉะนั้นจะตามด้วยคําว่าฝึกได้แล้วต้องฝึกถ้าฝึกแล้วประเสริฐถ้าไม่ฝึกหาประเสริฐไหมถ้าไม่ฝึกแล้วร้ายยิ่งกว่าสัตว์ชนิดอื่นด้วยต้องฝึกท่านจึงจะเลิศประเสริฐดังนั้นข้อดีของมนุษย์อยู่ที่ฝึกได้นี่เองนั้นพระพุทธเจ้าจึงย้ํานักตรงเนี้แล้วก็ให้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยฝึกได้ทีนี้นเมื่อ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 เจริญในกา마วจรกุศลจากกุศลธรรมดาเป็นมหากุศลเจริญขึ้นไปเป็นรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลโลกุตระกุศลก็ได้เจริญขึ้นไปพัฒนาไปหรือเจริญขึ้นไปเป็นภูมิชั้นจากกา마วจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิโลกุตระภูมิเป็นได้หมดเลยในมนุษย์สโลกเนี่ยโลกอื่นเป็นได้ไหมเป็นไม่ได้อย่างมนุษย์มนุษย์นี่เป็นได้ทุกภูมิเลยเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสพิเศษเลย เพราะฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์นี้ต้องรีบใช้โอกาสให้ดีที่สุดแล้วจะไปมัวติดใช้นี่กรรมทีนี้ใช้นี่เสร็จแล้วทำไงเกิดมาเพื่อใช้นี่กรรมพอใช้นี่กรรมเสร็จก็ น, นอนซึมใช่ไหมก็ไม่รู้จะทําอะไรก็ น, นอนซึมนอนง่อยก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรสินีเพราะฉะนั้นเราต้องถือโอกาสใช้ประโยชน์เกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยไอ้ส่วนไหนที่มันบกพร่องเสียเป็นบาปมาแล้วแก้ไข ละเลิกมันจเจริญกุศลทําให้ดียิ่งขึ้นสร้างชีวิตพัฒนาชีวิตของตัวเองให้จเจริญงอกงามช่วยเหลือสังคมทําสังคมให้จเจริญงอกงามช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เกื้อกูลโลกทําสังคมให้ดีไปด้วยอย่างนี้แหละจึงจะสมกับการที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นี่ก็เลยบอกก็อยากจะให้เลิกพูดกับเสถียรแล้วเกิดมาใช่นียกรรมเนี่ยนะให้เกิดมาเพื่อจะได้บําเพ็ญบารามีหรืออะไรก็ว่าแ ล, แล้วไป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 อันนี้ก็แปลนว่าในหมู่ชาวพุทธเนี่ยมีความเข้าใจผิดแบบนี้เยอะเพราะอะไรเพราะความชุดเนี่ยขาดหลักไม่รู้เข้าใจหลักศาสนาของตนเองแล้วนอกจากไม่รู้เข้าใจแล้วก็ไม่ปฏิบัติอาตมาถึงได้คิดมานานแล้ว0ี่สิบสาปีแล้วเอ๊หมู่ชาวพุทธนี่เลื่อนลอยเคว้งคว้าง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 แต่ว่าไอ้ที่ที่เกิดต้นไม้ประหลาต้นนี้มันอยู่ในเขตของญาติโยมต่างศาสนานี่ก็ปรากฏว่ามีคนเนี่ยไปขูดเลขขอหวยหนังสือพิมพ์ก็ไปสัมภาษณ์ญาติโยมที่เป็นเจ้าถิ่นซึ่งเป็นญาติโยมชาวศาสนาอื่นญาติโยมนั้นเขาก็บอกว่าเนี่ยมีคนมาขูดเลขขอหวยกันเรียกพวกชาวพุทธน่ยมาขูดเลขขอหวยกันเขวบเงิน เออเอาจริงของเขาไหมก็เพราะชาวพุทธไม่มีหลักอะไรนี้ใช่ไหมเขาก็บอกว่าอย่างงั้นนเะนี่ยเพราะเนี่ยที่ต้นไม้ประหลาดเนี่ยมีพวกชาวพุทธเนี่ยมาขูดเลขขอหวยกันพวกเราไม่เอาหรอกเนี่ยเขาก็บอกงั้นเลยเอาก็จริงของเขานะต้องอนโมทนาเนี่ยเตือนสติชาวพุทธเลยเห็นไหมนี่ก็เป็นหลักฐานที่แสดงว่าชาวพุทธเนี่ยไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรเลยอยู่กันเลื่อนลอย อย่างนี้ไปไม่รอดหรอกสมัยก่อนอยังดีบ้างสมัยก่อนเป็นอุบาสกวาสิกาก็ต้องมีว่ามีรักษาศีลฟังธรรมมีหลักของความเป็นอุบาสกบาสิกาเรียกว่าอุบาสกธรรมเป็นต้นต่อมาเลื่อนไปและไปก็เหลือแต่ศีลห้าก็ยังดีเอาและรักษาศีลห้าก็ยังพอไหวแต่ต่อมาศีลห้าก็เหลือรูปแบบเป็นพิธีไปเท่านั้นเองใช่ไหมไม่มีสาระอะไรเลยศีลห้ารับกันไปหมด โตรงชาพุทธไม่มีอะไรเลยมีแต่รูปแบบหรือประเพณีประเพณีเขาไม่ไว้สำหรับรักษาสาระเป็นรูปแบบรักษาเนื้อตอนนี้เนื้อมันหายกลายเป็นว่าไอ้ขวดที่เคยใส่น้ำหวานหรือใส่น้ำอะไรที่มันเป็นเครื่องดื่มน้ำปา น, นะหรือน้ำอะไรก็แล้วแต่ขวดนั้นมันเป็นรูปแบบที่เคยใส่สาระ เคยใส่น้ําที่วันรับประทานดื่มหรือว่าน้ําปานะอะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้สาระที่บรร จ, จุในขวดมันเปลี่ยนไปกลายไปว่าไอ้ขวดนะั้นแทนที่จะรักษาน้ําปานะก็เป็นขวดบรร จ, จุเหล้าไปซะนีอย่างนี้มันก็หมดรูปแบบประเพณีที่รักษาสาระไม่ถูกมันกลายไปว่าเอาเนื้อหาอื่นมายัดใส่เข้าไปแทนอย่างนี้ก็อันตรายมากเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องมาคิดกันให้หนัก เอาไปไปมามาตมาพูดเรื่องใช้นิกรรมก็โยคมหาหลักปฏิบัติของชาพุทธเลยเนี่ยเอาและตอนนี้ก็ไปเลยเป็นเหตุว่าเนี่ยมันนึกว่าชาพุทธมันต้องมีหลักปฏิบัติเดิมท่านมีแล้วเราลืมไปเองเราเนี่ยเลือนลางหายไปก็ควรจะมีหลักปฏิบัติชาพุทธแล้วควรจะมียังไงดีล่ะนี่หลักปฏิบัติชาพุทธก็อย่างที่ว่ามังเกียมีหลายข้อข้อหนึ่งเลยก็คือว่า เราเนี่ยเป็นมนุษย์ทุกคนแล้วความเป็นมนุษย์อยู่ที่ไหนคุณสมบัติของมนุษย์ความดีพิเศษอะไรมีอยู่ที่ไหนก็บอกไปแล้วเมื่อกี้บอกว่าอยู่ที่ความเป็นสัตว์ที่ฝึกได้นั่นเองทีนี้จับจุดนี้ได้ก็เอาสิฝึกหัดไปฝึกฝนพัฒนาชวิตไปก็คำว่าฝึกเนี่ยภาษาพราะเรียวกว่าสิกขาสิกขาเราใช้ภาษาสันสกิตก็มาในรูปวศึกษาเราก็แปล ก, กันว่าเรียนรู้ฝึกหัด พัฒนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยู่ในการว่าศึกษาทั้งสิน้นเพราะชีวิตคนเราเกิดมาก็ต้องฝึกแล้วฝึกเดินฝึกพูดฝึกกินดืม่มฝึกทุกอย่างจะทำอะไรให้เป็นก็ต้องฝึกต้องหัดทั้งนั้นนี่ถ้าเราจะทําอะไรให้เป็นแล้วก็ฝึกเรื่อยไปมันก็ไม่รู้จะจบมันก็เป็นเรื่อยไปเหมือนกันถ้าหยุดฝึกเมื่อไหร่ก็ได้แค่นั้นเพราะฉะนั้นเป็นมนุษย์เนี่ยจะเอาดีได้ไดในการฝึกในการหัดพัฒนาชีวิตเรียนรู้ไป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 ก็ต้องศึกษากันเรื่อยไปทีนี้เมื่อเราเนี่ยเป็นสัตว์ที่ต้องศึกษาต้องฝึกหัดต้องพัฒนาเราก็มาใช้หลักนี้ก็ตั้งจิตสํานึกขึ้นมาเพราะฉะนั้นชาวพุทธจะต้องถือหลักการเนี่ยก็คือมีหลักการของการที่ถือว่ามนุษย์จะเอาทีได้ในการฝึกเป็นสัตว์ที่เลิ่ประเสริฐได้ในการฝึกหัดสร้างจิตสํานึกในการศึกษาหรือจิตสํานึกในการฝึกตนขึ้นมาไว้ต้องเรียนรู้ต้องฝึกหัดพัฒนาชีวิตกันเรื่อยไป อันนี้ว่าเอาแล้วเราฝึกหัดพัฒนาชีวิตกันไปเนี่ยแล้วเราจะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรจะฝึกจะหัดจะพัฒนาอย่างไรแล้วมีจุดหมายอย่างไรอยู่ที่ไหนอะไรต่างๆตอนนี้เราได้หลักกว้างๆว่าเอาละเราเป็นมนุษย์จะต้องฝึกต้องหัดนี่แหละตอนนี้มันจะมาถึงหลักพระัตนตรัยเรามีพระัฒนตรัยไว้ทําไมก็เพราะเราเป็นมนุษย์ที่ต้องฝึกต้องหัดต้องพัฒนาชีวิตจะ ด, ดีได้ในการ ฝึกหัดเรียนรู้ศึกษาพัฒนาเนี่ยถ้าจึงมีพระอาจารย์ไตรามาให้เริ่มต้นก็คือว่าเออเพื่อให้คุณมีจุดหมายหรือจะเอาในแง่แบบอย่างก็ได้ก็เอาผู้ที่เป็นมนุษย์อย่างเรามาแล้วแล้วก็ได้ฝึกหัดพัฒนาฝึกตนจนกระทั่งสมบูรณ์ไปแล้วมาเป็นต้นแบบให้แล้วเราก็จะได้แนวทางแบบอย่าง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 เป็นเกณฑ์เป็นมาตรฐานเ ป, น ต, เปนตัวตัดสินสังคมก็เช่นเดียวกันณ น, น, นี้เราจึงตั้งหลักธรรมะธิปไตยขึ้นมาก็สังคมเดียดนี้แค่เป็นประชาธิปไตยก็เป็นไม่ได้ก็เพราะขาดธรรมะธิปไตยจะเป็นประชาธิปไตยได้อยู่ได้จริงมันก็ต้องมีธรรมะเป็นใหญ่ต้องเอาหลักความจริงความถูกต้องความดีงามเป็นเกณฑ์ตัดสินถ้าเอาธรรมะความจริงความถูกต้องการก้าวไปในความดีงามยิ่งขึ้นเป็นเกณฑ์ตัดสินคุณอยู่ได้ ชีวิตคุณก็เจริญก้าวหน้าดได้สังคมก็ดีงามได้เราลงว่าเอาธรรมะมาตั้งเป็นเกณฑ์ตัดสินแล้วก็เอาธรรมะนี่มาศึกษาเรียนรู้เข้าใจเข้าถึงความจริงก็ธรรมดาธรรมชาติเข้าใจถึงเหตุปัจจัยทําเหตุปัจจัยถูกต้องเจริญก้าวหน้าพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคมกันไปนี่แหละพระพุทธเจ้าชี้ไปที่ธรรมะแล้วคุณทําอย่างงี้ก็จะได้อย่างฉันเหมือนกันก็ธรรมะก็มาแล้ว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 กลับมาเกื้อกูลเกื้อหนุนเราในการที่จะปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้นถ้าสังคมแวดล้อมมันไม่ดีมันก็กลายเป็นอุปสรรคเราจะปฏิบัติจะเดินหน้าไปในธรรมก็ไปไม่ได้ดังนั้นก็เลยมีหน้าที่ว่าหนึ่งเราได้อาศัยมนุษย์ที่ก็าก้าวไปก่อนเนี่ยมาเกื้อหนุนเราพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้อยู่นยจนถึงบัดนี้คนที่จะเอาหลักความจริงธรรมมาสั่งสอนแนะนําเราก็คือท่านที่ก้าวไปก่อนเราแล้วที่เราเรียกว่าพระสงฆ์ก็มารักษาคําสอนพระพุทธเจ้าไว้ เอาความรู้ความเข้าใจในธรรมะนั้นมาแนะนําสั่งสอนเราเราก็นับถือแล้วเราเองก็จะต้องสร้างตัวพัฒนาตัวให้เข้าเป็นส่วนร่วมในสังขานั้นด้วยถ้าเป็นภิกษุสังฆะภิกขุนีสังฆะกับไปบวชถ้าไม่งั้นก็เป็นอริยสังฆะก็พัฒนาตัวเองให้เป็นโสดาบันสกทาคาเมนาคามีอาหลานไม่บวชก็อยู่ในสังฆะได้แต่ว่ารวมแล้วก็คือเรามีหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาตัวเข้าไปเป็นส่วนร่วมในสังฆะ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 ก็ขอให้ก้าวกันไปในธรรมนองนี้อย่างนี้สังขาก็เกิดขึ้นเราก็ยึดหลักสังขานี้จะต้องมาทําให้เป็นจริงขึ้นมาก็เกิดหลักด้วยรัยนรตนไตรขึ้นมาสังคมที่ดีก็เป็นสังฆนะนัเราก็ต้องเริ่มต้นสังฆะสังคมที่ดีงามตั้งแต่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในครอบครัวของเราเนะี่ยต้องชวนกันมาทําให้เป็นสังคมที่ดีที่สุดนะี่ทำอะไรล่ะก็มีข้อปฏิบัติ ที่จะต้องมาเริ่มต้นกันจะทํำยังไงจะสร้างครอบครัวบ้านของเราให้ดีให้อบอุญหน้าอยู่แต่อย่างน้อยทุกคนในบ้านต้องเป็นคนที่มาเกื้อกูลกันมีน้ำใจดีต่อการปรารถนาดีต่อกันมีความสามัคคีการร่วมแรงร่วมใจกันตั้งแต่ในครอบครัวในบ้านเป็นต้นไปแล้วก็ขยายไปทีนี้ก็ไปสิไปเป็นบ้านไปเป็นชุมชนไปเป็นอําเภอเป็นจังหวัดเป็นสังคมประเทศชาติจนกระทั่งถึงโลกเนี่ยถ้าได้สังคมอย่างเงี้ย ก็คือสังคมที่จเจริญในแนวทางของสังคะมันก็จะเป็นสังคมที่ดีงามที่พระเจ้าต้องการให้เราเก้าวไปโตลงได้และหลักพรัดพ้นใสอันนี้ท่านให้หลักไว้กว้างกว้างทีนี้ในการที่จะก้าวไปแต่ละขั้นในการกระทํากิจกรรมแต่ละอย่างระย่างาเนินชีวิตทุกขั้นทุกตอนทุกขณะทํำยังไงก็มาถึงอีกข้อว่าการต่างๆที่จะทํานี้ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน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 ลทัทธิขอก็คือจะประคุณไปขอหวยขูดเลขที่ต้นไม้นะีหรือไปอ้อนวอนเทวดาให้บันดาลญี่ลทัทธิขอลทัทธิรอก็รอโชคโชคมาเมือ่อไหรก่ร ก, รก็เป็นเองอย่างนี้ไม่ไหวลทัทธิขอลทัทธิรอนี่เรียกว่าลทัทธิหวังผลดลบรรดาลใช้ไม่ได้ดังนั้นมันขัดกับหลักพุทธศาสนาหลักพุทธศาสนาที่ว่าให้สร้างผลสําเร็จด้วยการกระทําของตนในความเพียรพยายามเอาจริงเอาจังมุ่งมั่น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 แล้วคุณจเจริญในศีขาศีธรมะที่ปัญญาได้ยังไงคุณก็ทํากรรมดีสิเนี่ยตั้งแต่คิดตั้งแต่เล่าเรียนศึกษาเนี่ยเป็นกรรมทางนั้นแล้วก็พูดจะอะไรแต่ะะไรทํากรรมดีกันคือปไปคุณก็พัฒนาจเจริญขึ้นไปจนกระทั่งมาเข้าหลักก็มีพระัตนตรัยเป็นหลักนําทางให้กันเราเราก็จเจริญกันกหน้าไปเจก้กระทั่งเป็นพุทธะเดนตนเองถ้าไม่เป็นสมมาสมพุทธะก็เป็นปเจกพุทธะท า, าไมเป็นปเจกพุทธะก็เป็นอนุพุทธะ พระหลานทุกองค์ก็เป็นอนุพุท ธ, ธะถึงนั้นทําไม่เป็นอนุพุท ธ, ธะอนุโลมให้เป็นสุตตพุท ธ, ธะเป็นพุท ธ, ธะโดยความรู้ได้เรียนรู้ได้ศึกษามีความเข้าใจและใช้ได้นี่แหละอาตมาก็เลยมาเข้าหลักชาวพุทธตรงนี้ตกลงที่พูดมาเนี่ยมีหลักสําคัญอยู่ห้าข้อคงจําได้นะหลักที่หนึ่งก็คือหลักของความเป็นมนุษย์เรื่องตัวเองว่าเราต้องมีจิตสํานึก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 นั้นเราไปมองไม่เห็นว่าสังคมดีงามคืออะไรเศรษฐกิจดีงามคืออะไรก็มองไม่ออกไปมองว่าเศรษฐกิจดีงามบรรลุจุดหมายแล้วโอ้โหมีสินค้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบริโภคฟุ่มเฟือยเต็มไปหมดบำรุงบำรเลอกลายเป็นรุ่มหลงหมัวเ ม, มาสังคมดีเกับสังคมที่ฟุ่งเฟือยอย่างนั้นหรือไม่ใช่แล้วเศรษฐกิจดีก็คือเศรษฐกิจที่พรั่งพร้อมที่จะ